เวลาที่เราเกิดความสงสัยเราจะทำยังไงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปัทมายาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิกุครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่11แล้วที่เราได้มาพบกันสำหรับคนที่ติดตามมาตั้งแต่เอพิส o ดแรกเลยเนี่ย ก็คงจะเป็นอันรู้กันว่าเราจะมานั่งสมาธิไปด้วยนั่งขัดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติจฉพอน้าในขณะที่เรากำลังฟังไปด้วยซึ่งการทำความสงบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะได้พักพักใจสก่อนนะพอเราพักใจแล้วเนี่ย เราก็ได้ความสงบเกิดขึ้นเราก็เอาใจเอาอารมณ์ในใจที่มันสงบตั้งมั่นแล้วเนี่ยมาตรองไปตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาตรองไปตามกับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสเอาไว้เพื่อที่จะให้ไปเกิดผลก็คือเป็นความรู้ความเข้าใจ ในจิตใจของเราเพื่อที่จะได้ลดทอนความทุกข์แล้วก็ทำให้สุขในใจของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้เมื่อกี้ก็ได้พูดไปถึงว่าเวลาที่เรามีความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยถ้ฟังทำยังไงกันบ้างมันก็คงจะเป็นคำตอบปกติเลยนะถ้าสงสัยก็ไปหาคำตอบสิ ใช่ไหมมันก็เป็นคําตอบหนึ่งแหละที่ถูกต้องนะเวลาสงสัยมันก็ต้องหาคําตอบสิถ้าหายสงสัยแล้วเนี่ยมันก็สบายไปมีความรู้มีความเข้าใจมีความฉลาดเกิดขึ้นแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็ไม่ได้แก้ความสงสัยด้วยการหาคําตอบอีกวิธีหนึ่งอ่ะที่เราอาจจะไม่ ค่อยคุ้นชินหรืออาจจะละเลยไปแต่จริงๆแล้วเราก็ทํากันอยู่บ่อยๆนะวิธีที่เรียกว่าไม่ใส่ใจช่างมันหรือไม่ต้องไปสงสัยมันหรอกอันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เหมือนกันวิธีแก้ความสงสัยเอาแล้วทําไมเราต้องมีวิธีแก้หลายแบบแบบนี้ทีนี้ก็อยากจะย้อนกลับเข้าไป ถึงหลักการของการทางานของใจสนิดหนึ่งก่อนกันที่เรามาศึกษาธรรมะแบบนี้เนี่ยก็อยากจะชี้ลงไปให้เห็นถึงว่าธรรมะมันเป็นเรื่องของจิตใจนะสุดท้ายแล้วจิตใจเราเนี่ยมันก็ไปจบอยู่ตรงที่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าเรามีความทุกข์หรือเปล่าและแน่นอนว่าใครๆก็ไม่อยากที่จะมีความทุกข์และแน่นอนอีกอย่างก็คือ เราอยากที่จะมีความสุขใช่ไหมในการที่เรามีความสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นความหงุดหงิดในใจใช่ไหมพอเปลี่ยนไปเป็นความหงุดหิดในใจแล้วเนี่ยมันก็กลายไปเป็นอารมณ์ที่เราเนี่ยไม่ชอบใจไงท่านฟังพอเราไม่ชอบใจมันก็เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ใจเกิดขึ้น เวลาที่เรามีความสงสัยเปลี่ยนเป็นความหงุดหงิดเปลี่ยนเป็นความทุกข์อยู่ในใจของเราซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนทุกจากการที่เราโดนเขาทำร้ายโดนเขาเบียดเบียนทางร่างกายหรื อ, อ, อจิตใจแต่มันก็เป็นความไม่สบายใจแบบหนึ่งนะซึ่งเราก็ต้องพยายามละเอียดละออนในความรู้สึกของเราด้วย เวลาที่ใจเรามีความทุกข์จากความสงสัยอย่างนี้โดยปกติเราก็เลือกที่จะไปหาคำตอบไงพอหาคำตอบแล้วแล้วเราก็ได้คำตอบเพราะได้คำตอบมันก็ไปเปลี่ยนอารมณ์จากที่หงุดหงิดเพราะความสงสัยเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ความยินดีพอใจเพราะเราแก้ปัญหาหรือคลายความสงสัยได้ ก็เปลี่ยนไปเป็นความสุขหรือเปลี่ยนไปเป็นความดับทุกข์ของความสงสัยลงไปเพราะฉะนั้นไอ้ความสงสัยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีทุกข์ได้ซึ่งหลักการเนี่ยมันก็คือมันเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่เราไม่พอใจนี่แหละเราเลยทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสงสัยแล้วนะแล้วเราไม่ไม่เกิดอารมณ์หงุดหงิด ไม่เกิดอารมณ์ไม่พอใจจากความสงสัยอันนี้มันก็ไม่เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์ไงท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตรงกับไอ้วิธีที่สองเนี่ยก็คือที่เราบอกว่าก็อย่าไปไม่ต้องอะไรกับมันมากก็ได้ช่างมันไม่ต้องรู้ก็ได้คาตอบอย่างนี้เป็นตน้นพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยความหงุดหงิดความขัดเคือมันก็ไม่เกิดขึ้น อารมณ์ขัดเคืองไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์กับใจเราเพราะฉะนั้นมันก็มีสองทางที่จะให้เราแก้แต่ก็ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็จะชั่งมันอย่างเดียวก็ไม่ถูกหรือเราจะหาคำตอบให้มันได้ซะทุกเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีเรื่องที่เราสามารถหาคำตอบได้แล้วก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เหมือนกันซึ่งอย่างใน การศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็มีโอ้หลายเรื่องหลายราวมากเลยนะท่านผู้ฟังเยอะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเทศสั่งสอนอยู่ตั้ง45ปีแล้วเทศเนี่ยก็ให้คนเยอะแยะมากมายเลยหลายอุปนิสัยหลายแบบไม่ใช่เทศเฉเพา่ให้คนฟังอย่างเดียวในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีเทศให้เ ท, เทวดาฟังด้วย อ, อย่างตอนที่ไปโปรดพระมารดา ที่ชั้นดุสิตอ่าขอโทษที่ชั้นดาวดึงเพราะว่าพระมารดาเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตก็ลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงเพราะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็คงสงสัยแหละสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมแล้วเราจะทํำยังไงเรารู้ว่าเออสวรรค์นี่อันนี้นรกนี่ เวลาที่เราพูดถึงนรกสวรรค์แล้วเนี่ยมันก็เลี่ยงออกไปได้หลายอย่างเวลาที่เราจะตอบคำถามเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยพอเราต้องการที่จะให้เขาเห็นภาพพดขึ้นน่บางบางคำตอบเนี่ยก็จะบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างนี้เป็นตน้นแต่พูดไปพูดมาเนี่ยไอ้สวรรค์กับ น, นรกมันก็เป็นภาพที่ ที่เขาวาดภาพไว้ว่ามันเหมือนเป็นสถานที่นะซึ่งคนก็ยังต้องการที่จะรู้ว่าเออมันจริงไหมมันมีจริงหรือเปล่าอย่างนี้แต่สวรรค์กับนรกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็พิสูจน์ได้สองทางนะมาฟังก็คือเราตายเสก่อนหนึ่งแหละอันนี้ไม่ต้องพูดกันพอตายปุ๊บก็พิสูจน์ได้ทันทีแหละว่ามันจะไปนรกไปสวรรค์เพราะเราไปเองแหละพิสูจน์เอง ีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือพิสูจน์ได้จากการที่เราเป็นผู้มีความรู้พิเศษเป็นผู้ที่มีฌานสมบัติมีความรู้พิเศษทางใจมีความรู้ที่เกี่ยวกับตาทิพย์หูทิพย์อย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่มีความรู้พิเศษอย่างนี้เนี่ยก็ สามารถที่จะยืนยันได้แหละว่ามันมีจริงแล้วก็ไม่สงสัยในคำสอนเรื่องนี้แล้วก็เอามาบอกต่อให้คนนน้นคนนี้เนี่ยว่ามันมีจริงนะแต่อย่าลืมว่าไอ้คนที่เขาได้ฟังในสิ่งที่เราบอกต่อไปเนี่ยเขาก็พิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีนะท่านผู้ฟังว่าเราพูดจริงหรือเรามั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นปัจจตัง ก็คือใครรู้ใครเห็นก็เป็นความรู้ความเห็นความเชื่อถือของคนนั้นคนนั้นไปแล้วถ้าเราไม่มีความรู้พิเศษแบบนั้นล่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะฟังก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเพราะว่าการที่เราไม่มีความรู้พิเศษเราก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าสวรรค์นรกเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่า แต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคำสอนเนี่ยมุ่งเน้นลงตรงความสุขความทุกข์ใปัจจุบันไงถ้าเรามีความรู้ณปัจจุบันว่าเรามีทุกข์เราก็แก้ทุกข์ของเราเพราะเราแก้ได้ทุกข์ของเราหมดไปเราก็มีความสุขดีอันนี้มันคือหลักใหญ่ใจความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะซึ่งถ้าเราตั้งทงไว้นะว่า เราจะต้องรู้ให้หมดทุกอย่างในพระไตรปิฎกในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะพ้นทุกข์แล้วจึงจะมีความสุขผู้ผู้ใหญ่จะบอกว่าโอ้ถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันเนิ่นช้ามากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความคิดที่ไม่ถูกเนะ่เพราะว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องใหญ่ท่านฟังพระพุทธเจ้านี่ก็ ได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าเปรียบเหมือนเราโดนธนูเนี่ยลูกศรเนี่ยแทงเข้าไปมีคนยิงแหละยิงใส่เราธนูมันก็ปักลงอ ย, อยู่ที่แขนเราเนี่แหละสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยมีเคสแรกถ้าเราทำอย่างนี้เราฝังคิดว่ายังไงก็คือเราต้อง ไปสืบเสาะก่อนว่าใครเป็นคนทําเขาทําเพราะอะไรเขามายิงเราทําไมแล้วลูกธนูเนี่ยมันเป็นยิงมาจากคันธนูหรือยิงมาจากหน้าไม้แล้วซุ่มอยู่ตรงไหนแล้วใช้ไม้อะไรมาทําแล้วก็อาบยาพิษหรือเปล่าอย่างนี้ซึ่งถ้าเราคอยที่จะ หาคำตอบสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนเนี่ยผู้พูดมั่นใจเลยว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวแนละ้วตายก่อนได้เคสหนึ่งก็คือเขาก็รีบไปหาหมองไงรีบผ่าเอาหัวโถนูออกแล้วก็เย็บชำระล้างแผลให้ดีแล้วก็คอยกินยาถ้าอย่างนี้มันรอดตายแน่นอน ความสุขมันก็มันเกิดขึ้นได้ความทุกข์ของพิษบาทแผลเนี่ยมันก็ทุเลาลงแต่ถ้าเราจะคอยแก้ทุกข์ในแบบเคสแรกก็คื อ, ต, อต้องต้องคลายความสงสัยให้มันได้หมดทุกข้อของเราเสียก่อนแล้วเราค่อยถอนเอาลูกธนูนี้ออกมันไม่ทันไงแล้วจริงๆแล้วถามว่ามันจำเป็นไหมจาเป็นถึงขนาดที่จะต้องรู้ขนาดนั้นไหม ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นไงพอมันไม่จาเป็นเราก็ใช้ข้อที่สองเนี่แหละก็คือไม่ใส่ใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ไอความสงสัยประเภทนั้นแล้วเราก็มุ่งหน้าต่อความจาเป็นของเราก็คือว่าเออเราจะรักษาแผลของเรายังไงอันนี้คือความสงสัยเหมือนกันนะเราจะไปหาหมอคนไหนหมอคนไหนอยู่ใกล้ที่สุดที่จะช่วยได้แล้ว เ, ออเราต้อง ไปยังไงนั่งรถไปนั่งเรือไปเพื่อที่จะไปให้ถึงเร็วอะไรอย่างนี้ซึ่งไอ้คําถามพวกนี้มันเป็นคําถามที่เราตอบได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคําถามจําเป็นในการที่เราจะแก้ทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นก็รีบตอบให้เร็วแล้วก็รีบทําให้มันเสร็จพอเราทำได้ทำได้แล้วเนี่ยแน่นอนทุกข์ที่มีมันก็คลายลงเพราะว่า ผลลับก็คือไอ้ลูกธนูมันโดนถอดถอนออกไปแล้วก็แผลก็ได้รับการรักษาได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นมันดีแล้วละ่ะพอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อยากจะชี้ให้ให้เห็นว่ามันมี2 ส, ส่วนนะท่านฟังคือส่วนที่สงสัยแล้วจําเป็นต้องหาคําตอบกับส่วนที่สงสัยแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบมันแหละซึ่งถ้าเรา พยายามจะไปหาคำตอบมันมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้เราอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยถ้าตามในบทตำรับตาราเนี่ยมันเยอะแยะอย่างเช่นเอาชานมีชานยังไงบ้างรูปฌานมีอะไรชานหนึ่งชานสองชาน3ชาน4ี่อารูปฌานมีอะไรมีอากาศานัญจายต น, นะวิญญาณัญจายต น, นะ นี่ว่าสัญญานาสัญญายตนะอากินจัญญายตนะโอยมันมันเป็นอย่างนี้หญ่แยะแล้วเราจะต้องเข้าใจไหมว่าเอออากาสานัญญายตนะเนี่ยเป็นยังไงหรืออากินจัญญายตนะจะเป็นยังไงเวลาที่เราจะแก้ทุกข์เนีัท่านผังขอแค่ใจเราจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่มันสงบสบาย แล้วเราก็เข้าใจมันว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุเกิดทุกข์อะไรคือความดับของทุกข์อะไรคือทางดาเนินนี้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าใจถึงว่าอากขสารนันจา ย, ยัตนะเป็นยังไงก็ได้หรือไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าใจว่าพวกเทวดามีกี่ชั้น พรหมมีกี่ชั้นนรกมีกี่แบบอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าเราเข้าใจก็คือเข้าใจเพื่อที่จะเตือนตัวเองให้มีความเพียรไว้เรามุ่งทำความดีแล้วก็อย่าทำความชั่วแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นจริ ง, รงๆแหะว่านรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงมีใครอยู่บ้างตอนนี้อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้น ซึ่งการที่เราจะพิสูจน์อย่างอากาสานัญจาตนะให้ได้เสียก่อนเนี่ยแล้วเราจะค่อยนำพลังใจที่มีไปพิจารณาตามความเป็นจริงให้มันละวางปล่อยเว้นเนี่ยโอ้อยางนี้ก็คงจะแย่นะแล้วเราจะไปเข้าใจหัวข้อหมวดธรรมให้มันเชื่อมโยงกันอีก มันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะดูแล้วมันจะยุ่งยากอ่ะแล้วสำหรับบางคนที่ต้องการที่จะผูกโยงว่าเออข้อนี้มันเป็นยังไงไปเชื่อมโยงกับข้อนั้นยังไงแล้วก็พยายามจะเข้าใจให้มันพูดง่ายคือเป็นการเข้าใจทางตร ก, กะเพราะวาความเข้าใจทางตร ก, กะอย่างเดียวเนี่ยมันผิดทางนะท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็คือปริยัติก็คือการศึกษาเรื่อเรียนนี่แหละแล้วก็นามาปฏิบัติแล้วก็ให้เกิดปฏิเวทาคือผลแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนเยอะสอนไม่ใช่เฉพาะคนเทวดาก็สอนพรหมก็สอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะทำให้มันเป็น ได้ทุกหมดทุกบาททุกอันแนหะเพราะฉะนั้นเราแค่เลือกเอามาบางส่วนที่เหมาะกับเราถูกจริตกับของเราเพื่อที่เอาไปใช้แก้ทุกข์แต่ไม่ใช่เราจะมาโกยทําำให้มันเป็นสมบัติของเราตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเทศทุกบททุกบาทไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือการแก้ทุกข์ต่วเมื่ฟังคือถ้าไม่ต้องเทศเยอะ เราเอามาน้อยๆแล้วเราแก้ทุกของเราได้เนี่ยมันดีแล้วหรือถ้าเรามีอุปนิสัยที่มันกว้างขวางนำมาใช้ได้หลายอันแล้วมาแก้ทุกได้เนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปนิสัยของเราที่กว้างขวางแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าใจให้มันหมดทุกบาทุทกบททุกแง่ทุกเ ง, งื่อนแล้วจึงจะพ้นทุกไม่ใช่นะเราเอามาบางอันมาแก้ทุกใจของเรา แค่นั้นเองจุดประสงค์ก็คือแก้ทุกใจนะไม่ใช่ว่าจุดประสงค์คือเราต้องการรู้ธรรมะให้มันหมดทุกหมดจดทุกอย่างทุกข้อเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วละ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะพ้นทุกเราเห็นทุกแล้วเราก็อยากจะแก้ทุกก็เลือกอันที่มันเหมาะ ก, กับเรา แล้วก็อย่างที่ว่าไปนะท่านฟังคือไม่จำเป็นจะต้องสงสัยแล้วต้องหาคำตอบให้ได้ทุกอันคือบางอันที่มันสงสัยแล้วเราต้องแก้ก็มีสงสัยเราต้องปล่อยผ่านก็มีเพราะฉะนั้นสงสัยที่เราต้องแก้ก็คือเอ๊ะมันมากระเทือนใจเราเราทุกข์ใจเพราะอะไรหาให้เจอเพราะอันนี้คือสิ่งจำเป็นก็คือหาให้เจอว่าอะไรต้องสงสัยเนี่ยว่า อะไรเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์เอาอย่างเช่นเราสงสัยว่าเออนรกสวรรค์มีไหมหรือข้อธรรมหมวดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ยังงงๆอยู่เราก็รู้สึกราคาญเงี้ยเราก็ต้องส่องใจไงเรามีสติที่เราเห็นใจใช่ไหมเราก็คุยกับตัวเองเนี่ว่าเอ้ยที่เราทุกข์เนี่ยเราทุกข์เพราะเราหงุดหงิดนะทุกข์เพราะอยากที่จะเข้าใจมันนะ เพราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สลัดไงสลัดออกมาสลัดใจออกมาจากความสงสัยหรือความต้องการอยากที่จะรู้คำตอบสลัดออกมาก่อนเท่ากั่ฟังส่วนจะเข้าใจมันหรือไม่เข้าใจมันเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นสลัดตัวออกจากความทุกข์ซก่อนถ้าสลัดออกมาแล้วแล้วในวาระต่อๆไปเราสามารถที่จะเข้าใจมันได้อันนี้ก็ยิ่งดี แต่ณนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้ถ้ามันยังสงสัยเราก็อย่าไปใส่ใจมันเราก็ดึงใจเรากลับมาไว้ที่ลมหายใจที่สติเฉพาะหน้าเพราะอะไรเพราะณนะตอนนี้เรามีความทุกข์ไงแล้วเหตุของความทุกข์ที่เราหาได้ก็คือสงสัยไงท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องละเหตุก็คือไม่ต้องไปสงสัย ไม่ต้องไปสงสัยเนี่ยก็าอาจจะพูดเฉียวเียวแต่จริงๆแล้วก็คืออย่าเอาใจไปคล้องแวกกับความสงสัยพอเราดึงใจออกมาจากความสงสัยได้ตั้งมั่นอยู่ที่ความสงบตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจความสงสัยถึงมันจะมีอยู่มันก็ทำร้ายเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องอย่างนี้นะเ้าหวัง เราก็ไม่จําเป็นเนะ่ยยางอยากจะย้ําอ่ะว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าใจปริยัตให้มันหมดอนะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเ ร, เราจะกลายเป็นนักปรัชญานะี่ยเราจะไม่ใช่นักปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์นะมันก็คาบเขี่ยวกันนะระหว่างนักปรัชยากับนักปฏิบัติเพื่อแก้ทุกขนะ์เนี่ยแต่ผลของนักปรัชาก็คือมันสงสัยไปเรื่อยเนะี่มันก็จะมีความสงสัยข้อนั้นข้อนี้ข้อนั้นไปพอคิดได้นิดๆห น, น่อยๆถึงความเชื่อมโยงก็ดีใจ พอข้อสงสัยเกิดขึ้นกับทุกใจแต่ถ้าในทํา น, นองกลับกันเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราก็มุ่งหน้าดูแต่อะไรที่มันทำให้เราทุกข์อะไรที่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ของเราแล้วเราก็พยายามแก้กันไปถ้ามันเป็นเรื่องภายนอกเราก็ลดทอนเหตุปัจจัยของภายนอกออกเพื่อที่จะไม่ให้มันมาท่วมทับใจเราแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในโดยตรง เช่นความสงสัยอย่างเงี้ยเราก็บริหารจัดการโดยการที่เราดึงใจเราออกมาไว้ที่ลมหายใจซะก่อนได้พักก่อนแล้วก็พยายามคุยกับมันว่าเออมันเป็นยังไงที่มาที่ไปแล้วเราจะแก้กันยังไงแล้วมันมีสาระแก่นสารจริงไหมถ้ามันมีสาระแก่นสารจริงๆอ่าเราก็สาระแก่นสารจริงๆมันเป็นยังไง ถ้าเราไล่สอบทุนจริงๆแล้วมันไม่มีสาระเก่ฑ์สารแล้วเนี่ยเราก็อย่าเอาใจไปไว้กับมันเพราะมันไม่มีสาระไงท่านผู้ฟังโอ้เสียดายเวลาหมดเสียแล้วท่านผู้ฟังสําหรับคนที่รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คงจะเห็นคุณค่าของการฟังธรรมะแล้วก็คงจะได้เห็นถึงประโยชน์ของธรรมะซึ่งถ้าคิดว่ามันเป็นรายการ ธรรมะที่มีประโยชน์นะก็อย่าลืมที่จะชวนคนมาสับสครายชวชวนคนมาฟังธรรมได้แชร์ให้คนอื่นได้รู้ได้ฟังหัวข้อธรรมที่จะเอาไปพัฒนาความสุขและลดทอนความทุกข์ของตัวเองได้วันนี้หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าจเจริญพร